นะอา้าวยิ่งพูดปดไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งอันนี้ยิ่งโอ้โกหกกันเป็นว่าเล่นเลยต่อให้พระก็เถอะยังไม่ต้องไปพูดถึงชาวบ้านธรรมดานะแล้วข้อสุดท้ายก็คือสีลงข้อที่ห้านะเรื่องของสิ่งเสพติดให้โทษนะเป็นอันเป็นถือว่าเป็นของมึนเมาให้โทษต่างๆท่านไม่ได้แปลว่าเล่าสุราเพราะท่านก็แปลมาบ่อยละ อะไรที่มันหยาบมันกล้านมันยังเป็นอบายมุกอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรยังเป็นของมึนเมาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยดูง่ายง่ายแค่ห้าข้อเ น, นี้ยศีลห้านี่บหยา บ, ย, บยังไม่ได้ไโอ้โหจะไปละเอียดลึกซึ้งอะไรโอ้โหต้องคิดจนกระทั่งแม้หัวผูกหัวพังอะไรหรอที่ถามเด็กบางคนเด็กยังตอบได้เลยในศีลห้านี่ยแต่ปรากฏว่า พระก็ตามหรือนักบวชก็ตามหรือคนที่บางทีเนี่ยนะอาจจะมีสํนา น, สนักนั่นสํานักนี้เอาศีลห้าเข้าไปดูได้จริงหรือเปล่าได้สักกี่รูปได้สักกี่คนกันแล้วจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแย่จริงๆนะแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยนะไม่ไม่คิดที่จะศึกษาให้มันเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติ น่าแต่ก็มาสอนคนแล้วเลยคราวนี้เลยยิ่งสอนเละยิ่งสอนมั่วให้คนทําผิดๆจนกระทั่งบางทีเนี่ยาศาสนาพุทธถึงได้โดนอะไรเข้ามาปอมปนโดยอะไรเข้ามาแปลเปลี่ยนจนกระทั่งบางทีเนี่ยเนื้อของพุทธเนี่ยหายไปเรื่อยๆไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนแล้วก็เอามาประพฤติเอามากระทํากันจน เป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่ของพุทธเลยพุทธเจ้าไม่ใช่สอนอย่างนี้เลยตรงข้ามด้วยบางอย่างพุเจ้าบอกว่าอย่าทำเลยทำแต่กับมีเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาแล้วก็ทำกันอยู่เกลื่อนเลยวันนี้แหละนะคิดว่าตื้นในธรรมะที่ลึกซึง้งคิดตื้นๆไม่ฆ่าซาตตชีวิตสิ่งหนึ่ง อคนเราไม่จะไปทําอะไรมันเลยเราไม่จะไปทําอะไรมันเลยเพราะฉะนั้นโหตื้นมากเลยศินข้อที่หนึ่งนี่ถ้าศินข้อที่หนึ่งแค่นี้โทรไปถามเด็กก็ได้เด็กก็รู้ศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเข้าเงี้ยนะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เด็กมันฟังก็รู้เรื่องอ๋อเข้าใจแต่ทํำไหม ไม่ได้ทาไม่ได้ทานี่หมายถึงว่าไม่ทําตามศีล น, น, นะนะแต่ไอ้ที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยจะเรื่องฆ่าสัตว์ชีวิตจะเรื่องไม่ฆ่าเองให้คนอื่นฆ่าอะไรมันก็ยังทำกันอยู่เป็นปกติเฉยเลยถึงบอกว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยแค่นี้ศีลน่ะเขาคิดแค่นี้เพราะฉะนั้นมันกนตื้นมากทั้งทั้งที่จริงๆแล้วศีลข้อหนึ่งเนี่ย กายวาจาใจมันต้องได้ครบสิ่งข้อหนึ่งต้องทําได้ครบนะทั้งกายวาจาใจนะถึงจะเรียกถึงว่าเข้าถึงธรรมหรือว่าเข้าถึงจิตนะอย่าง น, น้อยก็น่าจะลึกซึ้งได้ถึงขนาดนี้แต่อันนี้นี่ไม่เลยเอาแค่เราได้ชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์เพียงแต่เราเนี่ยไม่ไปหยิบมีดไม่ไปหยิบปืนไม่ไปหยิบอาวุธ อุปกรณ์อะไรแล้วก็ไปแทงเองไปฆ่าเองแค่นี้จบถือว่าเราไม่ฆ่าสัตว์จบส่วนถ้าเราบอกใครหรือว่าใครไปทําอะไรเนี่ยไปฆ่ามาให้เราเรียบร้อยอะไรต่ออะไรอันนี้ถือว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดศีลแหมตื่นเกินไปละนะอย่างนี้โอ้โหผู้เจ้าอุตสาบัญญัติศีล แล้วศีลเนี่ยแค่ศีลห้านี่ก็โหคุ้มครองคนคุ้มครองชีวิตสัตว์ชีวิตคนเนี่ยให้เป็นสุขได้แล้วถ้าอย่างนั้นศีลข้อหนึ่งนี่ก็คุ้มครองอะไรไม่ได้เลยอ้าวสมมุติเราไม่ฆ่าคนนั้นใช่ไหมแต่เราบอกคนอื่นไปฆ่าคนนั้นก็ได้ถูกไหมละ่ะอย่างนี้เราก็ไม่มีศีลอะไรสีเพราเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเองเราไปจ้างมือปืนที่ไหนก็ได้ให้มือปืนไหนไปไปยิงไอ้ น, นั่นหน่อยสิแล้วไอ้นั้นก็ตาย ตายเสร็จเราจะผิดอะไรก็เราไม่ได้ลงมือเองไงเราไม่ผิดอะไรเออมันจะตื่นอะไรขนาดนั้นนะจริงๆมันก็ไม่ถึงกับซับซ้อนอะไรนะพูดไปแล้วมันก็เออฟังแค่นี้มันก็น่าจะเข้าใจได้เหมือนกันเนี่ยถึงแก่ว่าแต่แค่นี้นะบางทีก็ยอมรับไม่ได้อะยังไงก็ไม่แ ม, ม่ก็เราไม่ได้ลงมือเพราะเราไม่เราไม่บาปอะไรเพราะเราก็ไม่ผิดศีลอะไรด้วย ก็จบถ้าคิดแค่นี้ก็จบเพราะว่ า, าถ้าอย่างนี้ล้วก็ใครก็ฆ่าใครได้ทั้งนั้นแนหะโดยที่ไม่ต้องลงมือก็ให้คนอื่นลงให้เสร็จมันจะสัตว์ก็ตามไม่ต้องเป็นคนนะถึงบอก่ยว่าเราไม่ฆ่าเองแต่เราไปซื้อตลาดเราไปบอกคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาไปตลาดถึงอ่ะเอาเนื้อหมูสามสามกิโล นี่เนี่ยก็คือการบอกให้เขาฆ่ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่ก็คือการฆ่าอยู่ดีนะพอนั่นถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยนะก็น่าจะเข้าใจธรรมะให้มันลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเห็นมันถึงบอกเป็นคนเบาปรราัญญาปัญญาเบ า, บรราเบาปัญญารู้เลยว่าโอ้โหไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรให้มันให้มันลึกซึ้งให้มันทะลุปกบองยิ่ง ยิ่งไปกว่า น, นี้เพราะนั้นไม่มีวันรู้แจ้งนะคนประเภทอย่างนี้ไม่มีวันรู้แจ้งแล้วก็ถือว่านี่ไม่เคารพธรรมเมื่อเมื่อไม่เคารพธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะเคารพกันเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยากเพราะคนที่จะเคารพกันเนี่ยอธิมาถามคุณนะเป็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจริงๆถ้าโดยสามัญทั่วไปถ้าตามลำดับขั้นแล้วเคารพกันไหม ถ้าตามลำดับขั้นที่ถูกต้องอะ่ะก็ต้องเคารพกันใช่ไหมเออนี่พ่อนี่แม่นี่พี่นี่น้องเราเ อ, อันนี้เพื่อนจริงๆแล้วก็ต้องเคารพกันแต่โดยกิเลสแล้วเนี่ยถ้ามีกิเลสอยู่จะยอมให้ไหมพ่อกับพ่อเหอะนะพี่กับพี่เหอะน้องก็น้องเหอะไม่ยอมกันหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะเคารพกันได้จริงเนี่ยนะไม่มีทางอื่นเลยถ้าไม่ลดกิเลส เพันจะต้องพยายามลดกิเลสลงอย่างน้อยๆเนี่ยมีการอะไรอะ่ะยกย่องความดีงามนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ไม่ต้องเป็นเคุณย่าอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นคนดีงามเราก็เคารพกันนะสา้าที่จะอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันก็ได้น่าถึงจะเกิดการเคารพกันได้แต่ถ้าถ้าไม่เนี่ยไม่ปฏิบัติธรรมไม่ลดกิเลสแล้วฆ่ากันเยอะแยะ ครอบครัวเดียวกันนี่แหละฆ่ากันอย่างนี้ที่เรียกว่าโหแย่งมรดกแย่งทรัพย์สินเงินทองหรือทะเลาะเบาแว้งกันไม่ชอบใจกันฆ่าแกงกันอะตรุดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เครารพธรรมซะแล้วไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าจะเคารพกันนะนี่เนี่ยจริงๆแค่ย่อหน้าแรกนี้อาตมาว่ามันก็แทบจะครอบคลุมหมดแล้วนะแต่ต น, น, นี้ท่าน ปุษาเทระท่านไม่ได้จบแค่นี้ท่านก็พูดต่อไปว่าในการข้างหน้าโทษภัยเป็นอันมากจะเกิดขึ้นในหมู่สัตว์โลกก็เพราะภิกษุทั้งหลายผู้ไร้ปัญญาจะกระทาธรรมะที่พระาศาสดาทรงแสดงนี้ให้เศร้าหมองทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลวก็คือมีโทษนั่นเองมีคุณมีคุณค่าเนี่ยมีคุณประโยชน์พวกนี้นะ มีคุณอันเลวแต่โวหานจัดแกล้กลามีกำลังมากปากกล้าไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยก็จะมีขึ้นในสังฆมนทนส่วนภิกษุผู้มีคุณความดีมีโวหานสมควรแก่เนื้อความมีความระอายต่อบาปไม่ต้องการอะไรอะไรก็จะมีกำลังน้อยวันนี้ท่านก็พูดให้ฟังว่าว่าแน่นอน ในยิ่งนานวันนานวันเข้าเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนภิกษุที่เนี่ยเยอิเลเคฆะนะเข้าไปถึงธรรมต่างๆเนี่ยโหยจะเยอะมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตภิกษุทั้งหลายมีปัญญาซามจะพากันยินดีเงินทองที่ดินไร่นาแพะแกะ และคนรับใช้หญิงชายดูนะเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆอะ่ะยิ่งเสื่อมนักบวชเนี่ยภิกษุยิ่งเสื่อมมากเท่าไหร่ก็จะมีลักษณะ ข, ของความเป็นชาวบ้านจะเหมือนชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านทำยังไงนะภิกษุก็จะทำอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งๆที่อยู่ในชุดผ้ากาสาวพัดนี่แหละ อยู่ในชุดของนักบวชนี่แหละแต่ก็จะทำเหมือนชาวบ้านแหละไม่ว่าการกินไม่ว่าการนอนไม่ว่าการทำงานทําการไม่ว่าการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านทั้งๆที่ความจริงนี่เหมือนกับคนละโลกนะอยู่กันคนละอะไรคนละเพศแล้วอันนี้เป็นสมณะเพศอันนั้นเป็นฆราวาสเพศน่าจะแตกต่างกันเลย การกินอยู่หลับนอนในชีวิตจะไม่ต้องไม่เหมือนกันเลยการประดับประดาการแต่งเนื้อแต่งตัวอา้าวเป็นพระก็ต้องหัวโล้นเน่ยโกนหัวอา้าวเป็นชาวบ้านเขาก็ยังมีผมอยู่ก็เป็นธรรมดาเขาเอา้าวเสื้อผ้าต้องมามามีชุดอย่างนี้แล้วนะ้าน้อยชุดลงนะต้องไมมาสะสมนะอา้าวคารเขายังมีเยอะก็เรื่องของเขาเอา้าวเขาใส่รองเท้าอา้าวนักบวชไม่ต้องใส่รองเท้านะอาไม่ต้องไปมี อะไรบ้านช่องแล้วนะถ้าเป็นนักบวชอ๋อแต่คราวาสเขายังต้องมีบ้านช่องเป็นที่พักที่อาศัยอยู่เงินทองเขายังมีนักบวชไม่มีไม่ต้องใช้ของพุทธของศาสนาพุทธไม่ต้องไม่ต้องใช้แต่เนี้ยคุณดูโดยรวมๆสิทุกวันเนี้ยพระส่วนใหญ่ที่ ท, ที่มีอยู่เป็นยังไงอะ่ะเราดูโดยรวมๆเพอๆเดีเ๋ยวนี้ก็ไปเรียนหนังสือ <c oughs> ก็เรียนหนังสือแบบ เขาเรียกว่าโลกาญตศาสตร์คือก็โลกโลกกันเองก็ไปเรียนหนังสืออะไรอ่ะเหมือนจะต้องไปประกอบวิชาชีพเหมือนกับที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทาอะ่ะแล้วก็ต้องใช้เงินเหมือนชาวบ้านเขาใช้อ่าใช่ไหมแล้วอะไรอะ่ะอาหารการกินที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ชักเหมือนเข้าไปทุกทีอล้ที่พักบางทีเอาไปดูสิโอ้โห เอนิเจอร์ไม่เบาเลยหมือนกันนะบางทีั้งที่จริงๆอ่ะอ้อมน่าจะบมากน้อยน่าจะสันโดดไม่ต้องไปมีอะไรมากมายหน้าข้าวของอะไรอย่าไปสะสมเยอะแยะอย่าไปยกอย่าไปรกรุงรังอะไรเนี่ยจริงๆต้องต่างกันต้องเห็นชัดไม่ต้องอื่นไกลคิดดูสิขนาดเจ็บป่วยได้ไข้จะต้องใช้อยู่ใช้ยาอะไรยัง ยังไม่ต้องมามีมาสะสมอะไรเลยจะต้องการอะไรก็บอกโยมเข้าไปะนะไม่ต้องไปโอ้โหเก็บสะสมเต็มกุฏหรือว่าเต็มที่พักอาศัยอะไรไม่ต้องนะอั น, น เ, เนี้ยเราดูาว่าเนี่ยนท่านก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ใช่แค่เนี่ยไม่ใช่แค่ยินดีกันทองนะไม่ว่าจะเรื่องที่ดิน นี่ น, นี่คือที่อยู่อาศัยเนี่ยเไล่นาเนี่ยจะแบบอาหารการกินจะอะไรต่างๆนี่มันมันเรื่องเงินทองเท่านั้นนะพวกเนี่ยมีแพะมีแกะมีคนรับใช้นี่ก็โอ้โหความสุขสบายเหมือนอย่างกับอะไรอะ่ะมีคนมาคอยบริการ ท, าทั้งที่จริงไม่ใช่นะเป็นนักบวชนี่พึ่งตัวเองไม่ต้องมามีใครมาบริการยกเว้นพวกอาจารย์ลูกศิษย์ ที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันช่วยเหลือกันแต่ถ้าโดยปกติแล้วนี่ไม่ต้องไม่ต้องมาบริการกันนะก็เอื้อกันโดยลักษณะของของเพื่อนที่มาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะจะไม่บริการแบบคนลกโล ก, โลกนะแต่อันนี้เนี่ยให้เห็นเลยว่าลักษณะที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับคนลกโลกธรรมดานี่แหละ ภิกษุเหล่านี้จะเป็นคนโง่มุ่งแต่เอาโทษผู้อื่นไม่ดำรงมั่นอยู่ในศีลมีความถือตัวโหดร้ายเที่ยวยินดีแต่การทะเลาะวิวาทมีจิตฟุ้งซ่านนุ่งห่มแต่จีวรที่ย้อมด้วยสีเขียวสีแดงเป็นคนลวงโลกกระด้างเป็นผู้แสหาแต่ลาภผลเที่ยวชูเขาบนหัวคือมานะ เที่ยวชูเขาบนหัวแหมก้ <c oughs> าใจเปรียบอัตตาบาณะเนี่ยเหมือนกับเขาบนหัว <c oughs> นชูเขาก็ไปถึงมาแหมอะไรอ่ะถือตัวหลงตัวอยู่แล้วเที่ยวขิดใครต่อใครเขาแต่ทาตนเป็นดังพระอริยะเจ้าท่องเที่ยวไปคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีมรรคผลปฏิบัติก็ไม่เอาอาวได้ไม่ได้ลดละกิเลสอะไร จริงๆ จ, ง จ, ง จ, ง จ, งจังเลยแต่ว่าแม้ไปไหนอะไรต่ออะไรนี่แหมทําเหมือนยังกับว่านี่ น, นี่ฉันบวชนี่ฉันคลองผ้ากาสาวพั์อย่างนี้นี่อุย้ยฉันอะไรฉันสูงจนะฉันศีลเยอะนะฉันศีลมากนะจริงๆไม่ได้ถือศีล น, นะนะทำศีลที่ถือไม่ได้แต่ว่าไปไหนเนี่ยโอ้โหคนเขาก็เคารพศรัทธารูปแบบ เขาก็มากราบไหว้เขามาอะไรเนี่ยทำบุญดาทานเขามาอะไรด้วยนี่ก็เลยเอาเลยเจ้าอย่างกับเป็นพระอริยะเลยให้คนมาเคารลบมากราบไหว้มาบูชาและเผลอๆบางทีจะพูดจะเทศจะสอนใครครับสอนอย่างกับตัวเองมีมรรคผลทั้งๆที่ความจริงเนะี่ยยังไม่ได้มรรคผลอะไรเนี่ยแล้วก็แต่งผมด้วยน้ํามันนี่รักสวยรักงามเลยนะทำให้ผมมีเส้นละเอียด เล้วไหลยอยู่กับการทาตาและหยอดตาเอ้หนักนะนี่หนักนะท่านท่านพูดนี่หนักทีเดียวอะแล้วไอ้ไ อ, อ้ข้อความหรืออะไรต่างๆนี่มันไม่ใช่เพิ่งมีนะเนี่ยมันมีในพระไตรปิฎกมาตั้งนานแล้วนะคุณคิดดูทั้งท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหพระไตรปิฎกนี่ พิมพมาสักกี่ปีเอาในประเทศไทยเนี่ยมาก็ไม่ไปไม่ได้ไปศึกษานะว่ามันกี่ปีที่พิมพ์ในประเทศไทยแต่อย่างน้อยความความนี่มันก็มีมาในพระต่ายบิดกอะซึ่งเชื่อเลยอาจมาว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องเอามากกว่าพ่อท่านบวชมาเนี่ยพ่อท่านบวชมาประมาณเท่าไหร่อ่าสามสีกว่าปีใช่ไหมแต่ยังไงพระต่ายปิฎกก็มีมาก่อนพ่อท่านอีกอะ คุณคิดดูสิช่วงเนี้ยช่วงโอ้โหหลายหลหลายๆล า, ลาสิบปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะสมมุติว่าเริ่มพิมพ์พระไตรปิฎกนี่เมื่อไหร่และก็คนได้อ่านเมื่อไหร่เนี่ยนะเชื่อเหอะว่าพระเนี่ ย, ยยังไม่ถึงขนาดนี้ละพระยังไม่เป็นอย่างที่ท่านว่ากล่าวอย่างเงี้แต่นี่นี่โอ้โหมันล่วงเลยมาอีกขนาดไหนอ่ะทำไมอีกเป็นพันพันปีอ่ะ ถ้าอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่ถูกต้องถ้านี่เป็นหลักฐานจริงเนี่ยเนี่ยท่านพูดมาเป็นโอ้โหพันพันปีละเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันมาถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วมันเอออ่านดูแล้วก็แหมมันเข้าเขาเลยนะว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบเนี่ยพวกพิษุนี้จะคลุมกายนะด้วยจีวรที่ย้อมด้วยสีงาสีงาคือสีแบบไห น, นสีงา เขาก็ไม่จะบอกางาดำหรืองาขาวแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยสีงาคือสีใดสีงาถ้าบอกว่าอะไรสีงาเนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรสีมันจะออกนวลๆใช่ไหมออกสีเหลืองๆสีเหลืองๆนวลๆนีนน่จะเรียกสีง า, าแบบสีงาช้างเนี่ยไม่ใช่งาดำงาขาวนะค่อน <c oughs> ไปในทาง ทั้งเหลืองเหลืองเนี่ยอแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองอ้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะเหลืองแบบขาวๆเหลืองแบบขาวอันนี้แบบสีเนื้อนะอันนี้แบบสีเนื้อไม่ใช่งาคั่วนะไม่ใช่งาคั่ว <c oughs> <c oughs> นั่นเลยบอกขั่วทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> นั่นเนี่ยบอกว่า ภิกษุพวกนี้เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะมีคุมด้วยสีแดงก็มีสีเขียวก็มีเนี่ยหรือว่าเนี่ยพวกภิกษุพวกนี้คุมกายด้วยจีวรที่ย้อมด้วยสีงาพอใจในผ้าสีขาวอันเป็นธงของพวกเดรธีคือคือคือถ้าเป็นจีวรสีเขาเรียกว่าอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลไหมเนี่ยหรือว่าสีย้อมน้ำฝาด นะสีย้อมน้ำฝาดหรือเขาเรียกว่าเนี่ยผ้ากาสาวพัดเนะีคือนะัน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะถ้าโดยทั่วไปแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นพวกเดียวถีอะไรต่างๆเนี่ยจะใส่พวกสีขาวหรือสีอะไรอื่นๆพระพุทธเจ้าท่านจะห้ามเหมือนกันสำหรับภิกษุเนี่ยมัก็จ่าไม่หมดแล้วนะสีชมพูบ้างสี สีเหลืองสีแสดสีดําสีแดงสีอะไรพวกนี้ยสีเขียวสีอะไรพวกนี้ยท่านก็ห้ามไมหมดแหละนะที่จําไม่จําไม่ได้ละกี่สีบ้างนะเนี่อ๋อเอาสีรุ่งเลยเลยไล่ไปเลยนะวงคำนําเงินเขียวเหลืองแสดแดงเลยเลยนะแต่ว่าเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ไปสีต้นสีนี้พูดง่ายอ่ะเสร็จแล้วก็ สัญจรไปตามตรอกน้อยใหญ่้ากันเกลียดชังผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเนี่ยน้ำฝาดก็คือจริงๆแล้วอาตมาเปิดพุธนานุกรมว่าสีน้ำฝาดเนี่ยจริงๆเป็นสีอะไรนะเขาเขาบอกว่าสีน้ำตาลแดงจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะเราจะได้ยินสำนวนอยู่บ่อยว่าผ้าย้อมน้ำฝาดผ้าย้อมน้าฝาดนะจริงๆก็คงเนี่ยจะหมายถึงสีน้ำตาล แต่ออกแดงน้ำตาลออกแดงเนี่ยคือปรากฏว่าไปชอบสีนู้นสีนี้ถ้าถ้าพูดเป็นธรรมทิฐานก็คือแทนที่จะชอบศาสนาของตัวเองเนี่ยไม่ชอบที่ยอาไปชอบศาสนาของคนอื่นเา้าไปชอบลัทธิไปชอบอะไรต่ออะไรอย่างอื่นๆื่นาเนี่ยก็เหมือนกับเราชอบไปใส่ผ้าสีเหมือนกับของลัทธิอื่น แทนที่เราจะมาใส่สีที่เป็นของาศาสนาพุทธเองเนีนยทา้นที่นักบวชนั้นน่ะคือควรจะทำตัวถือสีอย่างของนักบวชที่มีอยู่แล้วพูุทธเจ้าท่านก็นบัญญัติมาดีแล้วแต่ไม่เอาจะไปเอาอย่างของศาสนาอื่นจะไปเอาของพราหมณ์ของอิสลามหรือสองคริสของอะไรเขาก็แล้วแต่เออยังอยากจะไปเอาของคนอื่นเขาแน่แทนที่จะเอาอย่างของเรา แทนที่จะของเราบอกว่าผู้เจ้าสอนตนเป็นที่พึ่งของตนแต่จะไปเอาแบบของพราหมณ์เขาเป็นเทวัญยมหรือของาศาสนาอื่นที่เขาเป็นเทวัญยมเนี่ยเออกลับอยากจะไปเอาอย่างเัินของเขานเนี่ยเเหมือนกับเที่ยวไปเอาสีของของลัทธิอื่นเข้ามาจะมาใส่เนี่ยสีของเราเองเราไม่ใส่เท่านี้นันนี่นโดยทำมาทิฏฐาน เพราะนั่นเนี่ยก็พากันเกียริชังผ้าที่ยอมด้วยน้ำฝาดอันเป็นของไม่น่าเกลียดของพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วยินดียิ่งนักซึ่งเป็นธงชัยของพระอระหันต์ผ้ายอมน้ำฝาดหรือผ้ากาสาวพัดเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะในสําโดนพระไตรปิฎกนี่จะใช้ว่าเป็นธงชัยของพระอระหันต์หมายถึงว่าอะไรคาว่าเป็นธงชัยของพระอระหรันต์ เฮ้ธงชัยก็รู้แล้วหมายถึงอะไรอ่ะคําว่าธงชัยอะ่ฮะฮ้ธงก็ธ ง, ง, งชัยก็ชัยเลยอ๋อแปลเก่งมากเน่ก็หมายถึงว่าเป็นชัยชนะแล้วถ้าชัยชนะของาศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปชัยชนะถึงที่สุดก็คือได้เป็นพระอรหันต์ที่สุดของกิเลส ท, ที่สุดของการดับทุกข์ได้ก็คือพระอรหรันต์ จะเป็นพระอาหารหันต์ระดับไหนก็แล้วแต่อาหารหันต์จนกระทั่งอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วแต่แต่เนี่ยเป็นธงชัยเพรา ะ, ะจริงๆแล้วเนี่ยภาคการสวพัสเนี่ยโอท่านเปรียบว่านี่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสร้างศาสนาพุทธนะแล้วก็มานุ่งหม่มจีวรแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องนุ่งห่มอย่างนี้พระมาบวชใหม่วันแรกกิเลยังมีอยู่ก็นุ่งห่มเหมือน พระพุทธเจ้าเลยนะไม่ได้นุ่งห่มต่างจากพระพุทธเจ้าเลยเพราะนุ่งห่มเหมือนกันอยู่แหละคุณคิดดูสิพระ อ, อรหันต์ก็ต้องนุ่งห่มแบบนี้คนที่ยังไม่เป็นอรหันต์แต่มาบวชเนี่ยก็ต้องนุ่งห่มแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนุ่งห่มนี้เนี่ยนะมันมันเป็นเหมือนกับว่าให้รู้ว่านี่นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วจะต้อง ได้ชัยชนะคือเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดแต่ถ้าไม่ปฏิบัติซะแล้วมันดุ่งห่มแบบนี้แต่ไม่ปฏิบตัติอ้าวมันจะเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์ได้ไงมันก็กลายเป็นธงชัยของปุถุชนไม่ใช่ธงชัยแม็กอินไต่นะมันก็เป็นธงชัยของปุถุชนไปเท่านั้นเองมันมันจะไปเป็นพระอาหารหันต์ได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นันะเนี่ยเยท่านก็พูดอย่างงี้ให้ฟังเสร็จแล้ว จะเป็นพวกภิกษุผู้มุ่งในลาบนิสัยเกียรติคร้านมีความเพียรเลวซรามในการประพฤติ ธ, ธรรมเห็นการอยู่ป่าอันสงัดเป็นความลําบากจะใคร่อยู่ในเสนาสนะที่ใกล้บ้านโดยไม่สํารวมอินทรีย์นะอันนี้คําว่าอยู่ป่าอันสงัดก็คงเข้าใจนะจริงๆพระเจ้าท่านคําว่าป่าสงัดเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่มันไม่ พ, พลุกพลานไปด้วยคน คำว่าอยู่ป่าสงัดนี่นะไม่ใช่โอ้โหไปอยู่ป่าแล้วไม่มีคนเลยไม่ใช่สถานที่ที่พักอยู่เนี่ยผู้เจ้าท่านจะกําหนดเหมือนกันท่านจะบอกนะว่าเออเป็นสถานที่ที่ไม่พุกพลานไปด้วยคนมากจนเกินไปนักนั่นะแล้วก็ไม่ไกลจากจากชุมชนหรือจากคนเกินไปนักไปนะทนะ่านไม่ใช่แบบว่าให้ไปอยู่ป่าลึกๆเลยแล้วไม่เจอผู้คนเลยไม่ใช่นะแต่ตรงข้ามว่าส่วนใหญ่อย่างเนี่ย อยากจะอย่างเงี้ยอยากมาอยู่ในที่โหชุมชนเลยนะให้มีคนเยอะเยอจะได้ได้ลาบได้สักกะละได้อะไรเข้ามามากๆเนี่ยแล้วพาการประพฤติตามภิสูุพวกที่ยินดีมิจฉาชีพซึ่งได้ลาบเสมอเสมอในที่นี้เขามีวงเล็บแต่นะว่าเพราะภิสูุพวกนั้นจะเที่ยวโคาราชสกุลเป็นต้นเพื่อให้เกิดลาบแก่ตนพูดง่ายๆว่าอยากจะอยู่ในที่ชุมชน หรือว่าอยู่ในที่ที่ยิ่งแหมโอ้โหมีอะไรอ่ะเศรษฐีมีมีคนร่ํารวยอยู่หรือว่าราชสกุลก็หมายถึงว่าเนี่ยมั่งคั่งด้วยยศศักดิ์ฐานะเพราะว่าถ้าไปมีสถานที่หรือไปมีวัดอยู่แบบนั้นได้เนี่ยโอ้โหยิ่งได้ราบเยอะยิ่งได้รับยศเยอะมีอํานาจในทางโลกโลกเนี่ยได้มากขึ้น ในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะไม่บูชาภิกษุที่มีลาบน้อยโอ้นี่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ภิกษุรูปไหนต่อให้ปัจจุบันดีปฏิบัติชอบก็ตามแต่ ไ, ไม่ค่อยมีลาบสักกาละไม่ค่อยมีอะไรสักกะไหลนะดูแล้วก็อะไรอ่ะเงียบเงียบนะปฏิบัติไปก็ไม่ค่อยมีใครมารู้จักมาอะไรสักกะไหล อย่างนี้นี่ภิกษุก็จะไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยบูชาไม่ค่อยจะไปมศรัทธาอะไรนักหนาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจด้วยแต่ภิกษุไหนนี่โอ้โหมีลาบยศศักระอะไรมากเสร็จแล้วก็ก็อะไรมียศฐารดาศักอะไรสูงด้วยก็โอ้โหยิ่งเคารพบูชาอย่าเลยจะไม่คบหาภิกษุที่เป็นปราชผู้มีศีลอันเป็นที่รัก จะคลองผ้าด้วยจีวรสีแดงที่ชนชาวมิลคระชอบยอมใช้ชนชาวมิรลร ะ, ะก็คืออันนี้เป็นคำเปรียบสมัยก่อนเขาเรียกพวกมิลลร ะ, ะนี่คือพวกพวกคนที่ยังปาเถื่อนคนที่ยังไม่ค่อยมีศีลธรรมนะเขาเรียกว่าพวกมิลค ะ, ะ, นะปรากฏว่าชอบใช้เนี่ยจีวรสีแดง นะพวกมีอาขาศนี่เขาชอบย้อมสีนี้ใช้กันแล้วตีเตียนผ้าย้อมน้ําฝาดอันเป็นธงชัยของตนเสียภิกษุเหล่านั้นจะไม่เคารพในผ้ากาสาวะไม่พิจารณาให้แยบคายเพื่อจะใช้ผ้ากาสาวะกาสาวพัดนั่นเองแต่เรียกสั้นๆอีกอย่างก็เรียกผ้ากาสาวะเหมือนกับเมื่อถูกทุกข์ครอบงำถูกลูกอนแทงเข้าแล้วก็ไม่พิจารณาให้แยบคาย แสดงอาการยุ่งยากใจออกมาส่งเสียงโอดครวนอย่างใหญ่หลวงไม่กระทําเช่นช้างฉัดทันซึ่งถูกโสนุตรพานยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษทุกทรมานใหญ่หลวงจึงจับพรานหมายทําร้ายแต่พอเห็นผ้ากาสาวะที่พรานใช้คุมกายเท่านั้น <S <S ก็ได้สติพิจารณาโดยแยบคายไม่เบียดเบียนทราร้ายพรานนั้น ได้ตั้งเมตตาจิตกล่าวว่าคือคื อ, คอตรงนี้เข า, เาท่านบุษตะเทระเนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยจะไม่เคารพในผ้ากาสาวะนะนะคือคือก็จะเอาผ้าสีอื่นจะเอาอะไรอย่างอื่นมามากกว่าไม่ไม่ไม่เคารพผ้าสีหมองนี้นะผ้าสีน้ําตาลแดงอันนี้นะแล้วก็จะไม่อยากใช้สักเท่าไหร่ด้วย แล้วก็สีก็จะเปลี่ยนไปไม่เคารพเหมือนกับก็ยกเรื่องช้างฉัดทันคืออันนี้เป็นชาดกเรื่องหนึง่งที่ช้างฉัดทันเนี่ยโดนนายพรานเนี่ยมารอบยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษ